ลำดับต่อไปเราก็จะนำาพาทำวัดเช้าเปิดหนังสือไปภาคที่หนึ่งเราจะเริ่มจากคำภูชาป ร, ร, ระตนาตรีรหังสัมมาสั ม, มพุทโธอภะกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระระหาหันดาพรงกิเรเพรงทุกสิ้นเชิญ ราส s u ช o บได้โดยพระองค์เองผู Hebrew, everyday, ้ทังบากาวัน <mas> ด <mas S 2> hm, ังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวัคตโตปากาวตาธัมม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราดไว้ดีแล้วธรรมนัมัสสามีกาพระเจ้านมัสการพระธรรมกระสุปฏิปันโนมปะกาวดุสาวกสังโุน พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กะนโมตัสสัมภะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasam bhagavato arato samma sambuddhasam namo dasam bhagavato arato s a ar ah m a s a m b u d d a s a m อนามนามแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลนปราศรูชาบได้โดยพระองค์องเองโยสตะตถาคตอมประตะะาตถาโคเจ้านั้นพระองค์งไดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลนสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ปรสรูชาบได้โดยพระองค์องเอง วิชาจรณสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาแรจรณนาะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วโดยดีโลกวิทุเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริสธรรมสารที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์นามเป็นคู่ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทมสั่งสอนศาตร์ โยอยมังโรกังสเทวังสมาระกังสพรมากังศาสมาณะพระมณิงปะจังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสาจิกตะวาปะเวเทเสียมพระภูมิพระภาเจ้าพระงใด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 ทรงแสดงธรรมแล้วอาธิกนลยานังภายรอในเบื้องต้น มาเจกันระยะนางภายรอในร้มกลางปาริโยสานการระยะนางภายรอในที่ส่วนศาสทางสะพยัญชนงเกวระปาริปุณางบริสุตังพ ร, รมจริยัปงประกาศเสียทรงประกาศพรหมจาร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะธามหังบคขวันตังอภิภูชยามิขาพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธามหังบควันตังสิรสานามามี พระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรกรารบโยสซสวะคาโตะมปากาวตาธรรมโมพระธรรมนั้นได้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตราสไว้ดีแล้วสันเดีติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอบาลายโกเป็นส oh, oh, ิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตงเวทิตาโพวิญญูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังทัมังอภิภูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพราบธรรมนั้น ตามังธรรมังสิระส า, ามามิกกาปชาลอดนอมพระธรรมนั้นด้วยเสียนกรากราโยโสสุปฏิปั น, นุปปะข่าวะโตสาวกสังโคมทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมูได ปฏิบัติแล้วโอชุ ป, ปฏิปันโนะอัะวัโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วญายา ป, ปฏิปันโนะอัะวัโตสาวกสังโฆสงสารวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบาทเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนมปะกวะโดสาวกสังคุลทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาธรรมได้แก่บุคคลเรานี่คือ จาตาริภุริสายุคานิอัตถภุริสัปุขาผู้แห่งบุรุษสีค่คนนาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเหสะปะขาวตสาวะกะสังขมนั่นแหละทรงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาวนายโยเป็นสงควรแก่สการาที่เขานำมาบูชาปาวนายโยเป็นสงควรแก่สการาที่เขาจัดไว้ตอนราบทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญเริการณิโย ο, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชรี อนุตตรังบุญยเกตตังโรกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโรคไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทมังสังขังอภิภูชยามีคาจชาบูชาอย่างยิ่งจะเพระประสงค์มู น, นั้นตามังสังขังสิรสานามามี ข้าพระเจ้าน้อมน้อมระสงหมู่นั้นด้วยเสียงกรา